รวมสิกขาบทที่มีในเสขียะกันสิกขาบทที่ 1-2 ถึงว่าด้วยการครองอันตรวาสกและอุตราสงเรียบร้อยสิกขาบทที่ 3-4 ถึงว่าด้วยการปกปิดกายดีไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่ 5-6 ถึงว่าด้วยการสำรวมดีไปและนั่งในละแวกบ้าน สิกขาบทที่7จถึงแว่าด้วยการมีจกักษุทอดลงไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่9ก้ถึงสิว่าด้วยการไม่เวิร์กผ้าไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่1 1บเถึงสิว่าด้วยการไม่หัวเราะดังไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่1 3บสถึงสิว่าด้วยการพูดเสียงเบา ไปและนั่งในละแวกบ้าน <แ Always. S 1> สิกขาบทที่1 5บหถึงสิว่าด้วยการไม่เดินโครงกายไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่1 7บเถึงสิว่าด้วยการไม่เดินแว <FROM S 1> ่งแขนไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่1 9บเถึงยีว่าด้วยการไม่เดินโครงศีรษะไปและนั่งในละแวกบ้าน สิกขาบทที 22, ่2 1่สถึงยีว่าด้วยการไม่เดินเท้าสะเอวไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่2 3่สถึงยีว่าด้วยการไม่เดินคลุมศีรษะไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่25ว่าด้วยการไม่เดินกระโยงไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่26ว่าด้วยการไม่นั่งรัดเข่าในละแวกบ้าน สิกขาบทที่27ว่าด้วยการรับบินธบาดโดยเคารพสิกขาบทที่28ว่าด้วยการให้ความสําคัญในบาทขณะรับบินธบาสิกขาบทที่29ว่าด้วยการรับบินธบาพอเหมาะกับแกงสิกขาบทที่30ว่าด้วยการรับบินธบาเสมอขอบปากบาทสิกขาบทที่31 ว่าด้วยการฉันบินทบาทโดยเคารพสิกขาบทที่32ว่าด้วยการให้ความสำคัญในบาทขณะฉันบินทบาทสิกขาบทที่33ว่าด้วยการฉันบินทบาทไปตามลำดับสิกขาบทที่34ว่าด้วยการฉันบินทบาทพอเหมาะกับแกงสิกขาบทที่35ว่าด้วยการไม่ฉันบินทบาทขยุ่มลงแต่ยอด <bonito> สิกขาบทที่36ว่าด้วยการไม่ใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าวสิกขาบทที่37ว่าด้วยการไม่ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัวสิกขาบทที่38ว่าด้วยการไม่มุ่งตำหนิมองดูบาศของภิกษุอื่นสิกขาบทที่39ว่าด้วยการไม่ทําคํำข้าวให้ใหญ่เกินสิกขาบทที่สี่สิบ ว่าด้วยการทำคําข้าวให้กลมสิกขาบทที่41ว่าด้วยการไม่อ้าปากรอคําข้าวที่ยังไม่ถึงปากสิกขาบทที่42ว่าด้วยการไม่สอดมือทั้งหมดเข้าในปากสิกขาบทที่43ว่าด้วยการไม่พูดคุยขณะที่ในปากมีคําข้าวสิกขาบทที่44ว่าด้วยการไม่ฉันโยนคําข้าว สิกขาบทที่45ว่าด้วยการไม่ฉันกัดคำข้าวสิกขาบทที่46ว่าด้วยการไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มให้ตุ๋ยสิกขาบทที่47ว่าด้วยการไม่ฉันสลัดมือสิกขาบทที่48ว่าด้วยการไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวสิกขาบทที่49ว่าด้วยการไม่ฉันแลบลิ้นสิกขาบทที่ห้าสิบ ว่าด้วยการไม่ฉันทำเสียงดังจับจับสิกขาบทที่31อว่าด้วยการไม่ฉันทำเสียงดังสุดซุดสิกขาบทที่52ว่าด้วยการไม่ฉันเลียมือสิกขาบทที่53ว่าด้วยการไม่ฉันขอดบาทสิกขาบทที่54สิว่าด้วยการไม่ฉันเลียริมฝีปากสิกขาบทที่ห้าบห้า ว่าด้วยการไม่จับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหารสิกขาบทที่56ว่าด้วยการไม่เทน้ำล้างบาด ท, ที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านสิกขาบทที่ห7ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้กั้นร่มสิกขาบทที่ห8ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่ผู้ถือไม้พลองสิกขาบทที่ห9 ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้สื่อสัตราสิกขาบทที่60ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้ถืออาวุธสิกขาบทที่61ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้สวมเขียงเท้าสิกขาบทที่62ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้สวมรองเท้าสิกขาบทที่63ว่าด้วยการไม่แสดงธรรม แก่คนผู้อยู่ในยานพาหนะสิกขาบทที่64ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้อยู่บนที่นอนสิกขาบทที่65ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้นั่งรัดเข่าสิกขาบทที่66ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้โวกศีรษะสิกขาบทที่67ว่าด้วยการไม่แสดงธรรม แก่คนผู้คลุ่มสีสักสิกขาบทที่68ดว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะおおสิกขาบทที่69ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูงส LE ิกขาบทที่70ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้น um um ั่งอยู่สิกขาบทที่เจอดว่าด้วยการไม่แสดงธรรม แก่คนผู้เดินไปข้างหน้าสิกขาบทที่72ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปในทางขณะที่อยู่นอกทางสิกขาบทที่73ว่าด้วยการไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะสิกขาบทที่74ว่าด้วยการไม่บ้วนน้ำลายบนของเขียวสิกขาบทที่75ว่าด้วยการไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ